เจพรท่านผู้มีจิตศรัทธามีความเลื่นใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2556 <c oughs> เป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการงานต่างๆ จึงได้ตั้งใจมาวัดเพื่อใช้เวลาให้เกิดคุณเกิดประโยชน์กับการพัฒนาชีวิตจิตใจกับการสร้างความสุขความเจริญกับการดับความทุกข์กับการตัดภบตัดชาติให้น้อยลงไปและหมดไปในที่สุดด้วยการมาทำรุญทำทาน มารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมมาฟังเรื่องที่เราไม่ค่อยได้ยินได้ฟังกันมาก่อนถ้าเรื่องที่เราเคยได้ยินได้ฟังมาแล้วถ้าฟังอีกสามอีกก็จะเกิดความเข้าใจที่ดีขึ้นจะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องมีปัญญาทำให้เรา กำจัดความสงสัยต่างๆไปได้และทำใจให้สงบให้ผ่องใสมีความสุขนี่คือภารกิจที่พระพุเจ้าทรงมอบให้กับพุทธศาสนิกชนให้อย่างน้อยให้เข้าวัดอาทิตย์ละหนึ่งครั้งสมัยก่อนก็เป็นวันขึ้นแลง15ข้าค่ำแปดค่ำแต่สมัยปัจจุบัน เราได้เปลี่ยนวิถีชีวิตจากชีวิตของเกษตรกรมาเป็นชีวิตของนักธุรกิจที่มีการเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกวันหยุดของเราวันพระของเราจึงต้องปรับให้เข้ากับยุคใหม่สมัยใหม่ก็คือวันเสาร์วันอาทิตย์ที่เราหยุดทำงาน หยุดทำธุรกิจต่างๆวันเสาร์วันอาทิตย์นี้จึงเป็นวันพระสำหรับพวกเราเพราะเราจะได้มีเวลาว่างไม่ต้องไปทำกิจการต่างๆเราจึงสามารถมาวัดได้มาฟังเทศฟังธรรมได้ตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ในมงคลสดตรว่ากาเลนาะธรรมวัฒน เอตัมมังกละมุต ม, มังการฟังธรรมตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะจะได้ฟังอย่างที่ได้พูดไว้ได้ฟังเรื่องที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนเรื่องที่ได้ยินได้ฟังเมื่อได้ฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับจะกำจัดความสงสัยต่างๆได้ จะทำให้มีความเห็นที่ถูกต้องและจะทำให้จิตใจผ่องใสนี่คือสิ่งที่เป็นคุณเป็นประโยชน์จากชีวิตจิตใจของเราอย่างแท้จริงเราจึงควรตั้งจิตตั้งใจฟังเทศฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆเวลาที่จะฟังเทศฟังธรรมให้เกิดคุณเกิดประโยชน์จริงๆนั้น ก็ต้องฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบขณะที่ฟังไม่ควรทำอะไรต่างๆบางท่านอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าขับรถไปหรือทำงานไปแล้วก็เปิดธรรมะฟังไปการฟังแบบนี้ก็ได้ประโยชน์เพียงแต่ว่าจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ไม่ได้เต็มร้อยเพราะขณะที่เราฟังนั้นใจเรา ต้องกลับไปกลับมากับการฟังและกับการขับรถกับการกระทำอะไรต่างๆการฟังธรรมก็จะไม่ต่อเนื่องเมื่อไม่ต่อเนื่องผลที่พึงจะเกิดก็จะไม่เกิดถ้าอยากจะฟังเพื่อให้เกิดผลจริงๆแล้วควรที่จะสงบกายสงบวาจาและสงบใจคือร่างกายก็ควรจะนั่งอยู่เฉย หรือยืนอยู่เฉยๆหรือถ้าเดินจงกรมก็ฟังได้เดินไปก็ฟังได้เพราะว่าการเดินจงกรมไม่ต้องทาภารกิจอะไรต่างๆไม่ต้องใช้ความคิดนั่งก็ได้เดินก็ได้ยืนก็ได้ฟังทำไปฟังแล้วก็วาจาก็ไม่พูดคุยกัน เพราะถ้าเราทำอะไรหรือพูดอะไรแสดงว่าใจของเราไม่ได้อยู่กับการฟังอยู่กับการพูดอยู่กับการกระทำทำที่เข้ามาภายในใจก็จะเข้าไม่ถึงใจเท่าหูซ้ายออกขูขวาไปก็จะเป็นเหมือนกับทัาพีในหม้อแกงที่จะไม่รู้รสชาติของแกงว่าเป็นรส เป็นรสอะไรเป็นแกงจืดหรือเป็นแกงเผ็ดมีรสอร่อยหรือไม่อร่อยแต่ถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบใจก็ไม่คิดเรื่องราวต่างๆจดจ่ออยู่กับการฟังอย่างเดียวก็จะได้สัมผัสกับรสแอ่ธรรมก็เป็นเหมือนกับลิ้นกับแกงนั่นเองถ้าฟังด้วยกายวาจาใจที่สงบรสของธรรมที่มาสัมผัส ก็จะได้การรับรู้อย่างต่อเนื่องเมื่อรับรู้อย่างต่อเนื่องก็จะได้อนิสงส์อย่างที่พระพุทธเจ้าได้สงสแสดงไว้จะรู้ว่าเรื่องนี้เรายังไม่เคยฟังมาก่อนเรื่องนี้เราเคยฟังมาแล้วแต่เมื่อก่อนฟังแล้วยังไม่เข้าใจตอนนี้ฟังอีกครั้งจะเกิดความเข้าใจดีขึ้นเมื่อก่อนมีความสงสัยในเรื่องต่าง พอได้ฟังก็หายสงสัยเมื่อก่อนมีความเห็นไม่ถูกต้องพอได้ยินได้ฟังก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องพอฟังแล้วจิตก็สงบเหมือนกับการนั่งสมาธิเวลานั่งฟังธรรมจึงไม่ต้องทำบริกรรมพุทโธไม่ต้องดูลมหายใจเข้าออกไม่ต้องสวดมนต์เพราะจะเป็นการมา ชนกันระหว่างเสียงธรรมกับการภาวนาถ้าอยากภาวนาก็ปิดฟังยังไม่ต้องฟังไปนั่งอยู่ในที่สงบแล้วก็ภาวนาไปแต่เวลาฟังนี้ควรจะฟังเพราะจะได้ปัญญาและได้ความสงบบางทีก็ได้ทั้งสองอย่างถ้าฟังแล้วพิจารณาตามได้ก็เกิดความเข้าใจเกิด ปัญญาขึ้นมาและเกิดความสงบตามมาถ้าฟังแล้วไม่เข้าใจแต่ใจก็จดจ่ออยู่กับการฟังอยู่กับเสียงธรรมใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้การฟังธรรมจึงมีอนิสงส์ดังที่ได้กล่าวนี้แล้วเราจึงควรหมั่นฟังธรรมกันอยู่เรื่อยๆยิ่งสมัยนี้เราไม่ต้องไปวัดเรามีธรรมะ มาถึงบ้านมาถึงตัวเราเลยเราสามารถพกพาธรรมะไปกับเราได้ไม่เหมือนกับสมัยพระพุทธกาลที่ไม่มีสื่อต่างๆการฟังธรรมจึงต้องไปวัดจึงต้องไปในวันที่ว่างจากภารกิจการงานต่างๆอาทิตย์หนึ่งจึงฟังได้เพียงหนึ่งครั้งเท่านั้นแต่ถ้าสมัยนี้เรามีสื่อต่างๆพกพาติดตัวเราไปได้ หนังสือเ้าก็พกไปได้ธรรมะที่เป็นเสียงเราก็ใส่เครื่องเล่นได้ฟังได้อยู่ตลอดเวลาฟังไปเถิดแล้วจะเกิดปัญญาเกิดความรู้ความเฉลายเพื่อจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าไม่ได้ฟังก็เหมือนกับการเดินทางโดยที่ไม่ได้เปิดดูแผนที่ถ้าไม่เคยไปทางที่เคย ที่จะไปถ้าไม่เปิดแผนที่ดูก็จะหลงทางได้จะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางถ้าคอยเปิดแผนที่ดูอยู่เรื่อยๆเวลามาถึงทางแยกต่างๆก็เปิดดูแผนที่ว่าควรจะไปทางซ้ายหรือทางขวาหรือตรงไปถ้าไม่มีแผนที่ก็จะต้องเดาว่ า, วาไปซ้ายหรือ ไปซ้ายดีเลือกขวาดีหลือตรงไปดีถ้าเลือกผิดทางก็จะเสียเวลาและอาจจะหลงทางไม่ได้ไปถึงจุดหมายปลายทางได้ดังนั้นการฟังเทศฟังธรรมจึงเป็นหัวใจสำคัญของการเจริญพัฒนาชีวิตจิตใจยอย่ามองข้ามเรื่องการฟังเทศฟังธรรมไป เป็นอันขาดถ้าไม่ได้ฟังเทศ ฟ, ฟังธรรมก็ต้องอ่านหนังสืออ่านหนังสือธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ได้ของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายก็ได้ขอให้เราระมัดระวังเวลาเราอ่านหรือฟังจากแหล่งต่างๆขอให้เราใช้ปัญญาพิจารณ า, าใช้หลักของการละเมิด ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าอย่าเชื่อเพราะเราคิดว่าน่าจะเป็นไปได้อย่าเชื่อเพราะว่าเขาเป็นครูบาอาจารย์ของเราอย่าเชื่อว่าเพราะว่าคนอื่นเขาเชื่อกันพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ฟังได้แล้วก็ไม่ให้เชื่อแต่ไม่ให้ปฏิเสธคือให้เอามาพิสูจน์ดูว่า คำสอนนี้เอามาดับความทุกข์ภายในใจของเราได้หรือไม่ถ้าปฏิบัติแล้วกมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นอย่างนี้ก็ไม่ควรที่จะเชื่อแล้วเพราะคำสอนที่ถูกต้องนั้นต้องเป็นความสอนที่ทําให้ผู้ฟังนำเอาไปปฏิบัติดับความทุกข์ดับปัญหาต่างๆภายในใจได้ ถึงจะเป็นคำสอนที่ถูกต้องเพราะว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะมีอันตรายต่อจิตใจมากไปยิ่งกว่าความทุกข์ใจภัยต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นผู้ทุกข์กับภัยวาตาภัยอักขีภัยหรือภัยอะไรต่างๆนั้นไม่เป็นอันตรายเท่ากับความทุกข์ใจ พ่อภัยต่างๆนั้นทำลายได้เพียงแต่ซอบพยสินสมบัติข้าวของเงินทองและร่างกายเท่านั้นแต่ไม่สามารถทำลายจิตใจได้ไม่สามารถสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจได้สิ่งที่จะสร้างความทุกข์สร้างความความทรมานให้แก่จิตใจก็คือความหลง คือความโง่คือความไม่รู้ความจริงนั่นเองการฟังธรรมนี้จึงเป็นการแก้ต้นตอของความทุกข์ก็คือความหลงความไม่รู้ความจริงพอไม่รู้ความจริงก็เลยไปทําในสิ่งที่ทําให้เกิดโทษแก่จิตใจความจริงอะไรที่เราไม่รู้กันที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ความจริง ก็คือสัพเพธรรมาน ต, ตานี่เองก็คือไม่มีอะไรในโลกนี้เป็นของเราเป็นตัวเราทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของชั่วคราวเป็นของกลองแต่เราพอเรามาได้สิ่งต่างๆในโลกนี้แล้วเราก็คิดว่าเป็นของจริงของแท้ของที่จะอยู่กับเราไปตลอด เราก็เลยเกิดความอยากไม่ให้สิ่งต่างๆที่เรามีเราได้มาจากเราไปนะพอเราเกิดความอยากก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะเวลาสิ่งต่างๆที่เรามีต้องจากเราไปต้องเปลี่ยนไปต้องเสื่อมไปนั่นเองแต่ถ้าเราได้รับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่วา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราเป็นของปรอมไม่ใช่ของแท้เป็นเหมือนเงามีอยู่ปป๊บเดียวเดี๋ยวก็หายไปเช่นทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองร่างกายของเรานี้ไม่กี่ปีไม่เกินร้อยปีก็จะหายไปหมดอันนี้เราไม่ค่อยมองกันไม่ค่อยคิดกันเราก็เลยคิดว่า สิ่งต่างๆทั้งหลายนั้นจะอยู่กับเราไปตลอดดังนั้นเราจรึงต้องคอยเตือนใจคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราอย่าไปอยากให้เขาไม่จากเราไปอย่าไปอยากไม่ให้เขาเปลี่ยนไปอย่าไปอยากให้เขาอยู่กับเราไปนานๆอยู่ไปเรื่อยๆ ก็เราไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานสักเท่าไหร่เขาจะจากเราไปเมื่อไหร่เราก็ไม่รู้แต่ถ้าเราคอยสอนใจไม่ให้ไปอยากให้เขาอยู่กับเราเวลาเขาจากเราไปใจของเราจะไม่มีความทุกข์อันนี้แหละเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดเพราะว่าถ้ามีความทุกข์แล้ว ต่อให้มีอะไรมากมายกายกองก็ไม่สามารถมาดับความทุกนี้ได้ต่อให้มีเงินกองเท่าภูเขามีตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถเอาเงินทองเอาตาแหน่งที่สูงส่งนี้มาดับความทุกภายในใจได้แต่ถ้ามีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความจริงมีปัญญา มีความเห็นที่ถูกต้องที่เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราจะต้องจากเราไปไม่ช้าก็เร็วอันนี้จะจะทำให้ใจของเราไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆเช่นยกตัวอย่างของต่างๆที่เรามีอยู่ที่เราคิดว่าเป็นของเรานี้เราจะรู้สึกกับเขาอย่างไร เราจะรู้สึกมีความหวงมีความห่วงมีความวิตกกังวลและมีความเศร้าโศกเสียใจเวลาที่เขาจะาไปไปแต่ของที่เราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเหลานี้เป็นอย่างไรสบายมากเขาจะอยู่เขาจะไปไม่เป็นปัญหาอะไรเขาจะเจริญหรือเสือ่อมไม่เป็นปัญหา ใครจะมาเอาไปเราก็ไม่เดือดร้อนแต่อย่างใดเพราะว่าเราไม่ได้ไปถือว่าเป็นของเรานั่นเองนี่แหละปัญหาของเราอยู่ตรงนี้ตรงที่เราไปถือของต่างๆที่ไม่ใช่เป็นของเราว่าเป็นของเราพอเขาเปลี่ยนไปหรือจากเราไปเราก็เศร้าสูกเสียใจ ดังนั้นเราควรจะพิจารณาความพัฒนาจากกันควรจะพิจารณาการดับของชีวิตเราของร่างกายเราไว้เรื่อยๆพอร่างกายเราดับปับ๊บทุกสิ่งทุกอย่างที่เราหามาได้นี้ก็จะดับไปหมดเราไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปกับเราได้เลย มีสิ่งเดียวที่ไม่ดับก็คือใจของเรานี้เองเองแต่ว่าถ้าใจของเรายังไม่ได้รับความรู้ที่ถูกต้องยังไม่เห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของเราเวลาสิ่งต่างๆดับไปใจของเราจะทุกข์มากและก็จะไปแบบไม่ดีไปแบบที่มีแต่ความ ทุกมีแต่ไฟเผาผลาญจิตใจแต่ถ้าเรามีความรู้รู้ความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเราจะอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างสบายใจและเราจะจากทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างสบายใจอันนี้แหละคือความประเสริฐเลิศโลก ของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มาก่อนถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสั้มาสอนความจริงอันนี้พวกเราก็จะคิดจะเถอว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นของเราเป็นตัวเราเพราะเราได้หลงคิดอย่างนี้มาทุกพบทุกชาติแล้วเกิดมากี่ครั้งได้ร่างกายกี่ร่างกาย ก็จะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแล้วของที่ร่างกายได้มาเช่นนาบยศเสริญแล้วก็บุคคลต่างๆสิ่งต่างๆก็จะไปคิดว่าเป็นของเราพอคิดว่าเป็นของเราแล้วเราก็ต้องมาทุกข์กับการดูแลรักษาทุกข์กับการหวงทุกข์กับการหวงทุกข์กับการ สูญเสียนี่คือสิ่งที่เราต้องศึกษาต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องให้มีความเห็นที่ถูกต้องเราต้องเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วลองเอาไปปฏิบัติดูดูว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ดับความทุกข์ภายในใจได้หรือไม่ถ้าเรานำเอาไปปฏิบัติแล้ว นับรองได้ว่าดับความทุกข์ภายในใจได้อย่างแน่นอนเพราะมีผู้ที่นําเอาไปปฏิบัติและดับความทุกข์ภายในใจได้แล้วมีเป็นจํานวนมากนับตั้งแต่สมัยพระพุทธกาลปรากฏมีพระอาหารหันตสาวกปรากฏขึ้นมาเป็นจํานวนมากพระอาหารหันตสาวกคืออะไร ก็คือผู้ที่น้องเอาคำสอนของพระพทธเจ้าไปปฏิบัติจนสามารถปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างได้ไม่ยึดไม่ติดไม่หลงคิดว่าเป็นตัวเราเป็นของเราพอาท่านปล่อยวางได้หมดท่านก็ไม่มีความอยากกับทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่ ง, ท, งทุกอย่างจะมีจะไม่มีจะมาหรือจะไปจะเจริญหรือจะเสือ่อมไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด พอท่านสามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องมีอะไรพ่อใจของท่านถึงเมืองพอแล้วคำว่าพอก็คืออิ่มไม่ต้องการอะไรอยู่เฉยๆก็สบายมีความสุขไม่มีร่างกายนี้ก็ไม่เดือดร้อนเพราะไม่ต้องใช้ร่างกายนี้ทาภารกิจต่างๆถ้าใจยังมีความอยากมีความต้องการอยู่ก็จะต้องมีร่างกาย เช่นถ้ายังอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทานก็ต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดสำหรับคนที่ยังอยากอยู่นี้ต้องมีร่างกายและร่างกายต้องสมบูรณ์ต้องสามารถทำหน้าที่ตามที่ต้องการได้ ถ้าเกิดร่างกายเป็นอะไรไปเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอามพ์เพิกอารมภาพาพิกล พ, า พ, พิการหูหนวกตาบอดไปตอนนั้นก็จะไม่สามารถใช้ร่างกายหาสิ่งต่างๆทำสิ่งต่างๆที่อยากทำได้พอ อ, อยากแล้วไม่ได้นี้ก็จะทุกข์ทรมานเหมือนคนติดยาเสพติดดีๆนี่ คนติดยาเสพติดเวลาเขาได้เสพยาเขาจะมีความสุขแต่เวลาที่เขาไม่ได้เสพเวลานั้นเขาจะทุกข์ทรมานใจแล้วก็จะทําให้เขาต้องไปทําในสิ่งที่เสียหายตามมาถ้าเขาไปลักขโมยได้ก็จะลักขโมยถ้าต้องฆ่าผู้ให้ได้ยาเสพติดมาเขาก็จะทําเพราะ เขาทนกับความทุกข์ทรมารที่เกิดจากการไม่ได้เสพยาได้นั่นเองชั้นใดผู้ที่ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้ก็จะคิดสั้นอยากจะฆ่าตัวตายเพราะไม่รู้ว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่แล้วไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ก็เพราะว่าเขาไม่เคย ได้ยินได้ฟังพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านั่นเองถ้าเขาได้ยินได้ฟังคาสอนแล้วหมั่นสอนใจให้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาปล่อยได้แล้วไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายจะไม่ทำให้เขาเดือดร้อนเลยเขาจะอยู่ได้อย่างสุขอย่างสบายเพราะเขาปล่อยวางเขาไม่มีความอยาก ความอยากนี่แหละที่ทำให้เกิดความทุกข์ทรมานใจพอไม่มีความอยากแล้วความทุกข์ทรมานใจก็จะไม่มีเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นในร่างกายก็เพราะว่ามีเชื้อโรคพอไม่มีเชื้อโรคโรคภัยไข้เจ็บก็จะหายไปหมดไปนะดังนั้นชีวิตของเราทุกวันนี้ ที่เรามีปัญหากันมากมีความทุกข์กันมากก็เกิดจากความอยากต่างๆนี่เองทั้งๆที่เราก็มีมากเหลือกินเหลือใช้ยอยู่แล้วแต่เราก็ยังไม่สามารถหยุดความอยากได้ไม่สามารถทำให้เราพอได้เพราะว่าเราไม่เคยได้ยินได้ฟังก็ทำคำสอนหรือฟังก็ฟังแบบทับพีในหม้ อ, อกแกง ฟังแล้วไม่ทราบซึ้งถึงใจไม่น้อมเอามาปฏิบัติเช่นคำสอนที่สอนให้เราคิดอยู่เรื่อยๆว่าเราเกิดมาแล้วเราต้องแก่เป็นธรรมดาเราต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นธรรมดาเราต้องตายไปเป็นธรรมดาเราต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงไปถ้าเราฟังแบบลิ้นกับ แกงเ้าลับลองได้ว่าจะมีความประทับใจอย่างยิ่งจะเอาน้อมเอาคำสอนนี้มาคอยสอนใจเตือนใจเพราะจะช่วยลดละความอยากต่างๆให้เบาบางลงไปได้และให้หมดไปได้นี่แหละคือการฟังเทศฟังธรรมฟังแล้ว จะฟังแบบไหนฟังแบบทัพทีในหม้อแกงหรือฟังแบบลิ้นกับแกงถ้าฟังแบบลิ้นกับแกงก็จะได้รับประโยชน์ได้รับอานิสงส์มากเพราะจะทำให้เกิดปัญญาเกิดมีสังมาทิฐิความเห็นที่ถูกต้องที่จะปรับการดำเนินชีวิตของเราใหม่ต่อไปนี้เราจะไม่มองว่ามีอะไรเป็นของเรา ของทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้เป็นของชั่วคราวนับตั้งแต่ร่างกายของเราหนี้ออกไปร่างกายนี้ก็เป็นของชั่วคราวร่างกายของคนอื่นของบิดามารดาของสามีของภรรยาของบุตรธิ่ดาของญาติสนิทมิสหายก็เป็นของชั่วคราวทรัพย์สมบัติข้าวขอนทองต่างๆก็เป็นของชั่วคราว ยุถาบรรดาศัก์การสรรเสริญเดิมย่อต่างๆก็เป็นของชั่วคราวเป็นของที่จะต้องมีวันหมดไปในที่สุดถ้าเราคิดเตือนใจอย่างนี้อยู่เรื่อยๆแล้วใจเราจะได้ไม่หลงไปยึดติดว่าเป็นของเราเป็นตัวเราพอไม่ยึดไม่ติดก็จะไม่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาพอไม่เกิดความอยากแล้วใจก็จะเย็นจะสบาย จะอิ่มจะพอไม่ต้องดิ้นรนไม่ต้องขวนขวายหาอะไรมาพอรู้แล้วว่าหามาก็เป็นของชั่วคราวความสุขที่ได้ก็เป็นความสุขชั่วคราวพอเวลาต้องพัดพรากจากกันก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่เราควรที่จะคอยเตือนใจเราอยู่เรื่อยๆ เ, เตือนได้มากเท่าไหร่ก็จะฉลาดมากขึ้นไปเท่านั้น ถ้าเราไม่คอยเตือนไม่คอยคิดเดี๋ยวเราไปคิดเรื่องอื่นไปทาภารกิจต่างๆเราก็จะลืมไปดังนั้นขณะที่ทำภารกิจเราก็ต้องคิดว่าเป็นภารกิจชั่วคราวเงินทองที่ได้มาก็เป็นเงินทองชั่วคราวความสุขที่ได้มาก็เป็นความสุขชั่วคราวไปเที่ยวก็เป็นความสุขชั่วคราวพอกลับมาบ้านมันก็หายไปหมดแล้วนเะหลือแต่ความอยากอยากจะไปเที่ยวใหม่ ก็ต้องไปเหนื่อยกับการหาใหม่ไปเที่ยวใหม่อพอเที่ยวแล้วหามาได้แล้วก็หมดไป ก, ก็ต้องหาอย่างนี้อยู่เรื่อยถ้าคิดว่ามันเป็นของชั่วคราวแล้วมันก็จะเบื่อหน่ายมันก็จะไม่อยากจะหาหาเท่าไหร่ก็กลับมาที่เดิมได้มาเท่าไหร่ก็กลับมาอยู่ที่เดิมมีร้อยก็มีความหิวเหมือนกับตอนที่ไม่มีมีพันก็เหมือนกับตอนที่มีร้อย มีล้านก็เหมือนกับตอนที่มีพันคือยังมีความอยากอยู่เหมือนเดิมมีความอยากเมื่อไหรก็มีความกังวลกังวายกระสับกระส่ายกินไม่ได้นอนไม่หลับต่างๆนี่แหละคือเรื่องของความอยากเกิดจากความหลงการจะหยุดความอยากได้ก็ต้องแก้ความหลงต้องสอนใจไม่ให้หลงคิดว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เป็นของเรา จะให้ความสุขกับเราอย่างทาวอนไม่มีสิ่งที่จะให้ความสุขกับเราอย่างทาวรที่เป็นของเราอย่างแท้จริงก็คือใจที่ไม่มีความอยากนี่เองใจที่ไม่มีความอยากก็จะเป็นใจที่มีแต่ความสงบไปตลอดเวลานี่แหละคือใจของพระพุทธเจ้ารลาใจของพระอาลหันตสาวกทั้งหลายที่มีปรมังสุขขังมีบ ร, ร ม, มสุข มีความสงบไม่มีความอยากนั่นเองจึงขอให้พวกเราจงพยายามฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เมื่อฟังแล้วก็เอาธรรมนั้นเข้ามาแสดงในใจเรามาสอนใจเราต่อเพราะถ้าฟังแล้วไม่เอามาแสดงต่อเดี๋ยวเราก็ลืมเราก็จะไปคิดเรื่องต่างๆแล้วเราก็เดิมเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังมาแต่ถ้าเราเอามา คอยสอนใจเตือนใจอยู่เรื่อยๆไม่ว่าเรากำลังทำอะไรกับใครก็ต mm ้อ hmm. งคอยบอกว่าเป็นของชั่วคราวคนนี้เป็นคนชั่วคราวสิ่งต่างๆเป็นของชั่วคราวถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็จะไม่ลืมล้วก็จะไม่หลงพอไม่หลงแล้วก็จะไม่เกิดความอยากไม่ได้เกิดความอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่าง น, น, น, างนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ชั่วคราวเหมือนกัน เดี๋ยวก็หมดไปอยู่ดีสู้ปล่อยให้เขาเป็นไปตามเรื่องของเขาดีกว่าเราไม่ต้องไปเหนื่อยกับการอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจของเราจะเย็นจะสบายมีความสุขอยู่ตลอดเวลาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติเอาไว้เพียงเท่านี้ขอุณพระศีริรัตนนาไัยและบุตรกุศล